ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นประชาชาวสาคลราชมีพระราชองค์การประพ า, าถามอัถปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคะเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยปรีชายานสมเด็จพระบรมโลกกนาตศาสตาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าทเวสัมมาสัมพุทธาสมเด็จพระพุทธเจ้าสองพระองค์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 มิอาจจะทรงพระพุทธคุณไว้ได้จะเลยยะก็จะพึงหวั่นไหวกาเปยยะจะถึงให้สถทานสะเทือนไปณเนะเมยยะจะพึงน้อมไปวินะเมยยะจะพึงน้อมไปต่างๆนัฐานมุปคัดเฉยยะจะเข้าถึงซึ่งความชิบหายมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ